มีดินมีน้ำมีไฟมีลมใช่ไหมสี่แล้วมีสีมีกลิ่นมีรสมีโยชาเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าแล้วมีชีวิตแตรูปอีกหนึ่งก็เป็นสิบในสิบรูปเขาเรียกจักขคูทศักย์กลายเป็นกราบหนึ่งเล็กๆที่มีรูปอยู่สิบรูปส่วนต่อมาก็มีสัตมภาระใช่ไหมสัตมภาระจักขรก็คือก้อนเนื้อทั้งก้อนตาเลยยกยวงได้เลยว่าเงื่อนเถรนั่นสัตมภาระจักรสุสิ่งต่างๆเหล่านี้พระพุทธเจ้าว่าเป็นทุก แล้วพระเจ้าตรัสรู้แล้วว่านี้คือทุกขสัตว์เป็นที่ตั้งของความเกิดเป็นที่ตั้งของความแก่เป็นที่ตั้งของความเจ็บและเป็นที่ตั้งของความตายเป็นที่ตั้งของความโศกความลําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจของตนเองด้วยใช่ไหมแล้วพระเจ้าก็ตรัสรู้อันนี้เบีดเสร็จด้วยด้วยเป็นทุกขสัตว์แล้วก็รู้ด้วยว่าจักขู่ประสาทพร้อมกษัตสสราาิย์สำาระจักรสุที่เป็นไปในส่วนของกรรมชรูปทั้งหลาย มีอะไรเป็นปัจจัยมีอวิชชาตันหาแล้วก็กรรมในอดีตเป็นปัจจัยก็หมายความว่าสัตว์ทั้งหลายทํากรรมมาเราก็ได้ตาอย่างนี้แต่สัตว์ทั้งหลายทําไมถึงชอบที่จะทำกรรมเพื่อมีตันหาเป็นตัวเชื่อมทําไมสัตว์ทั้งหลายจึงเข้าใจว่าจากักรโประสาสหรือตาก้อนเนี้ยเป็นสุขก็สัตว์นั้นมีความไม่รู้มีโมหะบิดอยู่ก็เลยไปเข้าใจว่าการมีตาเนี่ยโอ้มันแสนจะประเสริฐแสนจะเลื่แสนจะดีแล้วใช่ไหม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 ถามว่าการที่จะได้ตาดีเป็นต้นเหล่านี้ต้องอาศัยบรรยากาศใช่ไหมถ้าอากาศตัวอุตุสภาพของอากาศที่เกื้อหนุนต่อการได้สายตาที่ดีใช่ไหมอย่างเมื่อแสงสว่างเนี้ยเป็นต้นเหล่านี้ถ้าอยู่ในแสงสว่างที่มันเอื้ออำเนื่ยต่างๆจากขูดภาษาของท่านผู้นั้นก็ใช้ไปได้นานงนี้เป็นต้นอันนี้เขาเรียกอาศัยปัจจัยปัจจุจจบันก็คือแสงสว่างคืออุตุทั้งหลายเนี่ยนะนอกนั้นไม่พอใช่ไหม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 เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเหตุทําให้ตาที่จะอยู่ได้นานหรือได้ได้ได้ ไ, ด ไ, ดไม่นานเช่นคนบางคนโกรธมากๆบ่อยๆเข้าก็พีพผลทั้งตาไหมอย่างนี้เป็นต้นจะเห็นได้ว่าจักขคูเนี่ยไม่เที่ยงเพราะปัจจัยที่เป็นสิ่งแวดล้อมทําให้จักรคูเกิดก็ไม่เที่ยงจริงๆใช่ไหมที่จริงท่านต้องรู้ลักษณะรักษาะประจุประทานประทฐานของจักขคูก่อนคือไปไข่ควรจนชัดเจนก่อนตรงเนี้ย แล้วจึงเห็นว่าโอ้โดยเฉพาะประทัดฐานหรือปัจจัยของเขาใกล้ชิดก็ดีปัจจัยไก ล, ก, ลก็ดีเป็นต้นเหล่านี้ปัจจัยเหล่านั้นล้วนไม่เที่ยงเลยเช่นอากาศนี่ไม่เที่ยงอุตุนี่ไม่เที่ยงเลยเดี๋ยวก็อยู่ในอุตูุที่อุณหภูมิเท่านั้นอุณหภูมิเท่านี้นภนนสภาพของตามันก็ต้องไหมเสื่อมโทรมเร็วบ้างช้าบ้างไปตามสภาพของอุตุนั้นด้วยอาหารที่เรากินกันไปแต่ละครั้งก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันหมดเมื่อไหร่ก็ลองค่อยรู้ตัวด้วยนะอาหารที่ไปหล่อเลี้ยงจากขูนี่ใช่ไหมมันหมดเมื่อไหร่อาหาร เนี่ยมันไม่เที่ยงไงไอตัวจักรคูประสาทมันจะไปเที่ยงได้ยังไงลนะ่ะไอตัวจิตนะบางครั้งก็ อ, อกุศลแจิตเดินบางครั้งก็อกุศลแจิตแล้วสัตว์โลกเนี่เดินจิตกันเป็นที่ไหนล้วอยู่ได้มโหฬครอบงามกันทั้งนั้นโดยมากก็เดินจิตได้ตามธรรมชาติเนะี่ยเขพูดให้รักกันรักแค่หัวปกักหัวปำพูดให้กโกรธก็โกรธแค่หัวปักหัวปำนี่นะพูดให้หลงก็หลงอยู่นั่นแหละเขาชมว่าตาสวยดีใจทั้งหลายสิบปีเนี่ยนะใช่ไหมเอาบางคนพลาดเลยนะเขาชมว่าสวยเนะี่ยชวนว่าตางามเนี่ย ใช่ไม่ใช่ทั้งๆที่โครงตาเยื่อตาชั้นในต่างๆแต่ละจุดแต่ละจุดของตามีที่ไหนงามโลกแต่สัตว์โลกไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่เคยไปกระเทาะไปลอกไปให้กวนไปวิจัยในความไม่งามด้วยความเป็นโทษด้วยความเป็นหัวฝีด้วยความเป็นลูกสอนด้วยความเป็นความลําบากวันหนึ่งเราล้างตากันกี่ครั้งต้องมาทรมานกับการมีตานย่าเท่าไหร่เป็นต้นสัตว์โลกก็ไม่เคยมานั่งวิจัยตามที่พระบรมศ า, ศาสดาตรัสไว้ ถ้าวิจัยอย่างเงี้ยแทงตลอดสัจจากันตั้งนั้นแล้วใช่ไม่ใช่นี่ไม่ได้วิจัยไม่ได้ไข้ควรไม่ได้พิจารณาก็เลยไปเห็นว่าเ้ยตางามตาดีแล้วเราก็ต้องมาทุกกันมีตายแล้วนักเข้าก็จะเสื่อมโทรมไปไหมอินทรีย์ก็เศร้าหมองอย่างที่บอกนักเข้าตาก็ฟ้าบางนักเข้านักเข้าก็เป็นคนแก่คนหนึ่งเทนะั้นแหละเป็นคนที่โอ้ใครเห็นตาที่เคยเป็นที่ตั้งกันตันหาวันนี้เดี๋ยวก็เป็นที่ตั้งของโทสะในวันนั้น มองปั๊บไม่อยากจะมองเลยสายตาคู่นี้ใช่ไหมมองทีไรแล้วไมไม่สบายใจเลยแต่ก่อนมองหูซึ้งมากมองซึ้งมากใช่ไหมพอเดี๋ยวนี้มองไปมองมาบอกโอ้มีเด็กวัดก็มานั่งคุยกันแม่ไปเจอคนนึงทาหวานเลิกกันด้วยนมาบอกว่ามามเองนี่พูดใช้คำสาปผิดแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมมันมีแต่ขี้ตามีแต่น้ําเลี้ยงตาอยู่ใช่ไหม แล้วในนั้นลองไปดูข้างใ น, นงมีหวานเวิรนอะไรหรอกพูดไปใช่ไหมมันของไม่งามทั้งนั้นวันวันหนึ่งก็ต้องมาล้างกีดากันอยู่ใช่ไหมก็แสดงว่านันผลิตของไม่ดีออกมาตลอดแล้วมันก็เป็นเหม็นก็เหม็นใช่ไหมไปดูทีพุทธเจ้าบอกไม่งามมาทั้งนั้นนี่พุทธเจ้าแทงตลอดเนี่ยสัมมาสัมพุทธานี่นะคําว่าสัมมาสัมพุทโธ ท, ที่เราสวดกันเนี้ย สัมมาสัมพุโทโธเป็นผู้ตัดสรุปชอบได้โดยพระองค์เองเนี่ยคือพระเจ้าตัดสรุรนี้โดยความเป็นทุกข์สัตว์แล้วตัดสรุปตัณหาที่บวกกรรมในอดีตเป็นสมุทัยสัจจะถ้าหากไม่มีตัณหาไม่มีกรรมไม่มีวิชาเป็นต้นและไม่มีจักรคุป萨สัจสิ่ ง, ท, งทั้งสองประการนี้ดับโดยไม่มีส่วนเหลืออะไรเป็นนิโรธาสัจจะเป็นนิพพานเนี่ยปฏิปทาถึงนิโรธเนะี่ยเป็นมรรคสัตว์พระองค์ก็มาตัดสรุปอริยสัจในเรื่องนี้ได้ชัดและพระองค์ตัดสรุปด้วย เมื่อตัดสูเบ็ยเศจพระ อ, องค์ก็สอนบุคคลอื่นนี่คิดตามถ้าปรารถนาจะตัดสู้ตามพระ อ, องค์เนี่ยคิดตามไม่เอาจักขู่อย่างนี้มาไล่มาไข้ควรมาพิจารณาเพื่อเห็นตามความเป็นจริงอันนี้คือชิ้นเดียวในในเสลิดะแต่ทั้งหมดพระ อ, องค์เอามาวิจัยหมดนะอันนี้ยกตัวอย่างมัชิ้นเดียวเนี่ยนะแล้วก็จะได้เห็นโอ้คําว่าสัมมาสัมพุท ธ, ธานี่ยทําให้เราเกิดความลึกซึ้งเกิดความลึกซึ้งว่าโอ้สัมมาสัมพุโทโธเป็นอย่างนี้ดีอี นะฉะนั้นสัมมาสัมพุทธะเป็นอย่างนี้นี่เองเมื่อมาพิจารณาในลักษณะอย่างนี้เบีดเสร็จแล้วเนี่ยเนะียเออทำให้ทาให้ให้ชัดเจนว่าคาว่าสัมมาสัมพุทธะเนี่ยที่ว่าตัสรู้ชอบได้โดยพระ อ, องค์เองเนี่ยแล้วก็สอนให้บุคคลอื่นให้ตัสรู้ตามด้วยเนี่ยบอกอ๋อเป็นไปอย่างนี้เอง ถ้าเราจะตัดสรุปตามพระองค์เนี่ยแปลว่าเราจะต้องรู้อริยสัจตามพระองค์แล้วก็จะต้องรู้ตามความเป็นจริงอย่างที่พระองค์รู้ด้วยเนี่ยนะแต่ไม่ใช่รู้รอบจึงท่าเท่ า, ทากับองค์เนี่ยรู้จนคลายฉันทราคะคือความยินดีคือความเพลิดเพลินในในในกระแสของขันเป็นต้นนี่นี่เป็นไปลักษณะอย่างนี้นี่นี่ในด้านของตัดสรุปจากครูประสาททีนี้ถ้าหากมาไปวิจัยในลักษณะอย่างนั้นอีกก็เลยเลยก็ต้องมองว่า ถามว่าเมื่อเราคิดอย่างเนี้ยเราจะเกิดศรัทธาในสัมมาสัมพุโทโธยังไงแล้วเราจะศรัทธาได้ยังไงเวลาเราสวดใช่ไหมอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุโทโธเป็นผู้ตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยศัท์แค่เนี้ยแต่จริงๆเวลาเข้ามาเรียนคําว่าสัมมาสัมพุโทโธแค่คำคำเดียวเนี่ยเขาใช้เวลาเรียนกันอย่างยาวนานใช่ไหมตรงนี้นี่แหละเวลามา แปลก็ได้แค่สั้นๆแค่นีนน้แต่อัฏฐะเนี่ยใช่ไหมอัฏฐะที่บอกว่าวิวัไอวิวิวารนาวิภัชนาเนี่ยนะที่บอกว่าตั้งเนแล้วก็มาจําแนกแล้วก็มาเปิดเผยนะีมาจำมาเปิดมาจําำที่จริงเปิดก่อนนะพอเปิดเบ็ยเศ็วก็มาจําแนกพอจําแนกแล้วก็ทําให้เป็นไปเนี่ยนะอุตตนีกับอุตตานี อตตนณีหมายความว่าการทําให้เป็นไปคือการทําให้พิศาาดารนนะ่ยโดยสามความหมายเนี่ยแปลว่าคําว่าสัมมาสัมพุทธโธใช่ไหมตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองอันนี้แปลว่าเปิดเปิดคําว่าสัมมาสัมพุทโธใช่ั้มเปิดให้ดูว่าอ๋อสัมมาสัมพุทโธคือตัดสู้ชอบได้โดยตนเองแต่อันนี้ยังกินความอยู่นะยังมีความหมายที่ต้องเปิดเผยต่อไปนะยังไม่เปิดคําว่านอกจากตัดสู้ได้ตนเองนั้นบ่งบอกว่าพระบรมศาสดาไม่มีอาณ และกว่าจะตัดสรุ้ได้ตนเองเนี่ยทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคขมารบารมีไหมปัญญาบา ร, รมีวิริยะสัจจะที่ขันเตียทิฏฐานาาน่เมตตาเนะอุเบกขาบา ร, รมีไปด้วยอุปบา ร, รมีสิบปรมาทบา ร, รมีสิบยี่สิประสองค์ขายยิ่งด้วยแสนมหากัปนะตรงนี้นะกว่าจะได้คําว่าสมมาสัมพุโทโธนี่นะบ่มเพาะบา ร, รมีมาอย่างยาวนานนะตัวบา ร, รมีสิบเหล่านี้หนุนเนื่องเพราะที่ปักขีาทำสาม37ประการนะ หศีสมาธิปัญญาเป็นต้นเนะี่จนสามารถได้ตัดสรุปนุตตะสัมมาสัมพุทธิยานเป็นพระพุทธเจ้าเรียกได้คําว่าสัมมาสัมพุทธะตัสรุปชอบได้ด้วยตนเองนี่ น, นี่อัดหนึ่งอัดฐานนี้เอาเข้าใจแล้วพอสมควร น, นิดหน่อยแล้วนะทีนี้พอไปบอกว่าตัสรุปได้ตนเองนีตัดสรุปอะไรบ้างตัดสรูปรูปโดยความเป็นอริยสัตว์เวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณจักขูประสาทโลภอารมณ์จักขูวิญ ญ, ญาณนี้นะ โสตประสาทสัทธ um, ารมโสตวิญญาณไล่ไปเถอะคานาประสาทคือจมูกนเนี้ยคันธารลมแล้วก็คานะวิญญาณชิวหาประสาทคือลิ้นแล้วก็ระสารมคือรสแล้วก็ชิวหาวิญญาณคือวิญญาณที่รู้รสเป็นต้นเนี้ยนะแล้วก็ตัศรุกายะประสาทโผล่พะพลมแล้วก็กายยะวิญญาณตัสรุมโนแล้วก็มโนวิญญาณเออธรรมารมแล้วก็มโนวิญญาณเนี้ยนี่คือท่าสิบแเป็นต้นก็ไล่ไปแล้วอีกเยอะ เกษาโรมานะคะธันตาพระองค์งตัดสรุ้หมดเนี่ยนะอันนี้แปลว่าพระองค์ตัดสรุปได้โดยตนเองนี้ดีเดี๋ยวค่อยไปวิจัยอีกทีแล้วก็ให้คนอื่นตัดสรุ้ตามให้คนอื่นตัดสรู้ตามเราก็จะได้เห็นอัดของสัมมาสัมพุทธะกว้างขวางมากเพราะพระพุทธเจ้านั้นเวลาท่านจะบำเพ็ญบารมีท่านผูกบารมีสืบไว้ในตนคือผูกทานศีนเลเนคขมะปัญญาเป็นต้นไว้ในตนคือไว้ใจจนจิตท่านการผูกก็คือว่าถือมั่นเลยนะ ต่อมาท่านก็ผูกสัตว์โลกทั้งหมดเลยไว้ในตนด้วยสรุปก็คือว่าบา ร, รมีทุกประการที่ทํานั้นเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าในการให้สัตว์อื่นตัดสู้ตามนี่เราก็จะเริ่มเห็นว่าโอ้ทําให้บุคคลอื่นตัดรู้ตามด้วยพอเราศึกษาสัมมาสัมพุทธะปุ๊บเรามายกตัวอย่างเช่นว่าสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตัดสู้ชอบได้โดยตนเองแล้วก็มาวิจัยก่อนนะพระเจ้าตัดสู้อะไร พอวิจัยเป็นไปตามระดับเริ่มจากขู่เป็นทุกข์ษัตริย์จากขู่สมุทัยญเป็นสมุทัยญสัจจะจากขู่นิโรธเป็นนิโรธาสัจจะจากขู่นิโรธาคามวินีปริฎพทาเป็นมรรคษัตริย์นี่นะก็ไล่โสตเป็นทุกข์ัตริย์โสตสมุทัยญเป็นสมุทัยญสัจจะโสตนิโรธาเป็นนิโรธสัจจะโสตนิโรธาคามวินีปริฎทาก็เป็นมรรคษัตริย์ก็ไล่ไปเรื่อยๆนี่นะจนเริ่มเห็นคุณของคําว่าสัมมาสัมพุทโธแนบแน่นมากมองเห็นไหม คือยิ่งตรึกไปยิ่งคร่ควรไปแย่งวิจัยไปเนะี่ยวิจัยมากกว่าการเป็นด็อกเตอร์เข้าใจไหมเคยไปเรียนต่างประเทศใช่ไหต้องเรียนหนักไหมหนักใช่ไหมอันนี้มากกว่านั้นวิจัยวิจัยจนเข้าใจว่าโอ้โหสัมมาสัมพุโิโธนี่ไม่ทำแล้วนี่แปลว่าตอนนั้นเป็นอุปจารสมาธิได้เลยวิจัยไปจากศัพท์เดียวนี่นะคำเดียวนี่นะ นักเข้านักเข้ า, ขาพอพอไปม้วนไปเสร็จแล้วเดี๋ยวนี่จะเกิดความผ่องใสแล้ววิจัยมาจนอิ่มแล้วเนาะจนปัญญานั่นท่องเที่ยวจนชํานาญทะลุทะลวงไปเสร็จแล้วหนักเข้านักเข้าก็เริ่มมาเห็นนะมาเห็นโอ้โหดีนักหนาเนะจิตใจของเรานี่เนาะปัญญาของเราในศีลสมาธิปัญญาศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาของเราเนี่ยเราได้มาคิดคําว่าสัมมาสัมพุทโธโเราคิดคําอื่นมานานแล้วแสนจะปวดหัวใช่ไหม คิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงลูกคิดถึงอะไรยังความเจ็บปวดใจช้ำใจให้เกิดเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคิดถึงลูกเป็นห่วงลูกไหมห่วงลูกอีกแล้วไม่มีลูกกันเนละ้เนี่ยคิดถึงแม่ก็ปวดใจเพราะแม่เนี่ยนะใช่ไหมแต่ถ้าเราคิดถึงสัมมาสัมปุโทโธเนี่ยเราจะได้ปราโมดปีติปัปสสติความสุขตัวนี้เป็นอุปจารสมาธิพอเป็นอุปจารสมาธิเบ็ดเสร็จเหล่านี้ นัเข้านักเข้าเราก็เอาข้อมูลจากคําว่าสัมมาสัมพุโทโธเนี่ยมาวิจัยถอยออกจากอุปจารสมาธิที่เป็นสมาธิเริ่มตั้งมั่นนี่นะพอถอยออกมาเบีเศ็ตก็เอาสัมมาสัมพุโทโธนั่นแหละพรที่เจ้าตรัสรู้อะไรแล้วแล้วบทไหนที่เราวิจัยจนชํานาญเลยดึงมาเลยทีเนี้ยแล้วเอาจากขูนในนี้มีนี่ของเรามีไหมเนี่ย ก็วิจัยเลยนี่เขาเรียกว่าพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้างมาแล้วเนี้ยใช่ไหมเริ่มมาวิจัยว่าโอ้เป็นทุกข์กษัตริย์ยังไงเริ่มใครควรเบ็ดเสร็จนะพอพิจารณาอย่างนี้เริ่มเห็นเนาะจากขุปสรสสาดเนี่ยเป็นทุกข์กษัตริย์เป็นทุกข์กษัตริย์จริงๆเนี่ยพิจารณาก็ไปวิจัยเป็นที่ตั้งของชาติทุกชรลาทุกมราณะทุกยังไงเป็นต้นเพราะจากขุปัาสัดเนี่ก็ไล่เลียงไปตามแบบเนี่ยนะพูดในแนวทางการปฏิบัติเลยนะเนี่ยใช่ไหม เขาวิจัยกันอย่างนี้ก็นั่งปฏิบัติอย่างนี้เวลานเนี่ยเนี่ยที่จริงเมื่อวานนี่เรามาพูดขั้นตอนแล้วถ้าต้องการอยากจะเดินพุทธานุสติเนี่ยหลีกเล่นอยู่อาสนะเดียวอยู่คนเดียวนะพออยู่คนเดียวอยู่หน้าพระธาตุหน้าพุทธรูปอะไรต่างๆก็แล้วแต่หรืออยู่ในห้องอะไรก็แล้วแต่นะนั่งหน้าอาสนะเดียวในอาสนะที่นั่งจะสะดวกที่สุด พอนั่งเบ็เสร็จแล้วก็กําหนดหมายเจริญพุทธคุณไล่จนจิตชุ่มชื่นแล้วก็สําคัญนะสําคัญว่าพระ บ, บรมศาสดาหรือพระเจ้าประทับอยู่บนศรีศรษะเลยสําคัญอย่างนั้นเลยะว่าตอนนี้พระเจ้าประทับอยู่บนศีรษะบนกระหม่อมก็พระเจ้ า, จ า, แ, าแล้วเอาถ้าพระเจ้านั่งอยู่บนศีษะนั่งบนกระหม่อมเนี่ยกล้าหลับไหมยังไม่กล้าใช่ไหมใช่ไหมเราสําคัญมั่นหมายว่าตอนนี้พระเจ้าประทับอยู่บนศรีศรษะแล้วเราก็จะเราก็เจริญพุทธคุณลองคิดดูดิ อัธยาศัยจะตั้งมั่นไห ม, มแรงมากตั้งมั่นแรงมากไม่ตั้งไม่ใช่ธรรมดาเลยฉะนั้นอัธยาศัยที่ตั้งนั้นแรงมากความมุ่งมั่นก็สูงมากแล้วก็วิจัยสมาธิสมุโทโธของพระองค์ศรัทธา ก, ก็ยิ่งตั้งวิริยะสติสมาธิปัญญายิ่งแข็งแรงมากขึ้นใช่ไหมท่านรอบจริงๆนะอันนี้อันนี้ทําเป็นตัวอย่างเล็กๆเนี่ยนะนะเข้าน่ะเข้าก็เริ่มมาพอจิตเป็นสมาธิก็เริ่มมาวิจัยจักขูของภายในของตนเอง พอวิจัยเบ็ดเสร็จก็จะเห็นใช่ไหมกรรมอย่มะบอกโอ้โหในสังสารวัตรอวิชาตันหากรรมเนี่ยถ้าจากักรคุปสัตของมนุษย์เนี่ยมาจากกุาศลกรรมและจักรคุปสัตของเราทั้งหลายที่กําลังนั่งใกล้ควรพุทธคุณอยู่เนี่ยอันนี้ก็มาจากกุศลกรรมที่มีตันหาเป็นตัวเชื่อมให้เป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนใหญ่ให้มอบให้เลยอะเอาอัตาไปใช่ไหมแล้วตันหาในอดีตกรรำในอดีตอวิชาในอดีตที่สร้างตาไว้ เป็นโรงงานมือมาเลยอ่ะที่รอให้วิบากเราอยู่เนาะตายเมื่อไรเขาก็มอบตาใหม่ให้เมื่อนั่นแหละเมื่อจุติก็ปฏิสนธิทันทีจติก็ปฏิสนธิทัน ท, น ท, นทีถามว่ามีขณะจิตไหนบ้างที่ท่านทั้งหลายไม่ทำกรรมมีไหมหลับยังฝันเลยใช่ไหมฝันก็ให้ผลในวัติการปฏิทินการก็ไม่ให้นะ โดยมากเราทํากรรมนะกายกรรมที่เคลื่อนไหวกันแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยเป็นกายกรรมทั้งนั้นถ้าจิตเป็นบุญก็เป็นกุศลกรรมถ้าจิตเป็นบาปก็เป็นอกุศลกรรมแล้วปากเราพูดกันแต่ละวันปั๊บป๊บเนี่ยจะรู้เนื้อรู้ตัวหรือแล้วมัก็รู้ตัวถ้าหากจิตเป็นบาปก็เป็นอกุศลกรรมแล้วพูดจิตเป็นบุญก็เป็นกุศลกรรมนั่งเฉยๆกายวาจาไม่ขยับขยื่อนแต่ใจคิดเน่ยเป็นมโนกรรมนี เป็นบุญหรือเป็นบาปเท่านั้นสรุปแล้วก็คือว่ากรรมสามเราเดินกันอยู่ตลอดเวลาเลยครอบกรรมมาบดก็ให้วิบาก ค, ครอบกรรมมาบดก็ให้วิบากอยู่อย่างนั้นและแล้ววิบากเหล่านั้นถามจะมากมายสักเพียงไรเป็นโรงงานมหือมาที่เป็นตัวเชื่อมเพราะกรรมเนี่ยนะจะให้ผลกับคนที่มีสักยะทิฏฐิใช่ไหมพระหันพระโสตบัลลัสักยะทิฏฐิได้ใช่ไหม ท่านก็โหดหลือเจิชาดใช่ไหมนี่พูดหมายถึงมุมนี้จะได้เห็นว่าถ้ามีสักกายทิฏฐิอยู่เนี่ยอกุศลกรมรมกุศลกรรมหลายมันตาำแม่นมากกลิน่นแรงกลิ่นสักกายทิฐิเนี่ยแรงมากเข้าใจไหมความเป็นตัวเป็นตนเนี่ยแรงมากเนี่ยมันเชื่อมติดเชื่อมติดเนี่ยก็มเราเหมือนมีโทรศัพท์อะ่ะมือถือแล้วเปิดเบอร์ แล้วแล้วเปิดเบอร์โชเลยอะ่ะใครจะโทรมาก็ได้ทั้งนักเลงจะโทรมาก็ได้บัณฑิตจะโทรมาก็ได้แต่สำคัญเราเราให้นักเลงก็ดูเยอะหมดดูปลาประมิตรดูไปหมดใช่ไหมเดี๋ยวก็โทรยี้เข้ามาแล้วอะไรขาดกำลั <c oughs> งจะตาย <c oughs> อะไรขาดแล้วเดี๋ยวก็ผลิตอะไรมา <c oughs> ตรงนนะเนี้ยนะก้อนเนี้ยถ้าพิจารณ า, าในลักษณะนี้ก็จะเห็นว่านี่ไง อย่างนี้เขาเรียกว่าหนึ่งเป็นยาตาปริญ ญ, ญาเนีพิจารณาด้ว ย, ยความว่าจากขู่ภาษาที่เป็นรูปธรรมเนาะและเป็นที่ตั้งของจักรคุยัญนะใช่ไหมอาศัยตาแล้ะลูกเกิดจากคุยัญเอาทีใช่ไม่ใช่อาศัยตาและลูกเกิดจากคุยัญการประชุมของธรรมสามการเป็นภาษาเขาเรียกจักขคู่สัมพัสตารูปอารมณ์จักขคุยัญสามอย่างประชุมกันก็เป็นจักขคู่สัมพัสก็เป็นภาษา ภาษาเป็นขันอะไรสังขารขันภาษาก็เป็นปัจจัยเกิดเวทนาถามว่าเอาการมองเห็นปุ๊บเนี่ยไม่เกิดสุขเวทนาก็เกิดทุกขเวทนาหรือเกิดอุเบขาเวทนาในโชวนะใช่ไหมเพราะในขณะที่จักขูวิ ญ, ญญาณเกิดขึ้นมาก็เป็นอุเบขาขาเวทนาอยู่แล้วนั่นเป็นสาชาตาัดังที่ได้บอกบอกในขณะเมื่อวานนี้แต่ตัวจักขูสัมผัสสนี่แหละเขาจะไปเป็นปัจจัยเกิดทุกขเวทนาในโชวนะก็ได้เป็นโทมนาตนะนะ เป็นสมณสเวทนาในชาวนะก็ได้เป็นอุเบขาเวทนาในชวนะก็ได้เห็นรูปอารมแล้วเสียใจมีเลยเห็นโลภแล้วมันไม่น่าเห็นเลยคนคนนี้เห็นที่รเสียเงินทุกทีเคยเป็นไหม <c oughs> จะมาทุกข์ใจบางอย่างก็อยากเห็นพอได้เห็นก็ดีใจเนี่ยนะแล้วก็หลงปิดไปความกำหนัดบ้างความขัดเคืองบ้างความรุ่มหลงบ้างก็เกิดเมื่อวานพูดในเรื่องนี้ใช่ไหม เนี่ยความกําหนัดขัดเคืองรุ่มหลงก็เกิดทางทวารตานี่แล้วเพราะเราตั้งชาวนะไว้ไม่ดีนะก็เลยเป็นที่ตั้งของความกําหนัดบ้างความขัดเคืองบ้างความลุ่มหลงบ้างเป็นต้านเหล่านี้เกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่ารู้จักจักขู่ด้วยรู้จักจักขูวิญญาณด้วยรู้จักจักขูสัมผั ส, สเป็นต้นด้วยรู้จักกรูปอารมณ์เป็นต้นด้วยที่จริงในที่ตรงนี้เขาจะไปไล่กันนะเนี่ยถ้าหากว่าเจริญเป็นไปในลักษณะว่าจากสมาธิ พอกลับมาก็มาเจริญในด้านของวิปัสสนาท่านจะเดินไปสายลักษณะอย่างนี้ในรายละเอียดนะก็จะเดินไปลักษณะอย่างนี้ทีนี้ถ้าหากว่าเดินไปในกรณีอย่างนี้เบ็ดเสร็จเนี่ยนะถ้าเราพิจารณาบอกว่าอาศัยตาและโลกเกิดจากขรรญาณอย่างนี้เป็นต้นเะนี่ยก็อย่างที่ว่าท่านในเอาในภ า, ภายยายยสูตรใช่ไหมเคยกล่าวหลายครั้งแล้วมามากล่าวบอกเออตัวที่เห็นรูปอารมณ์นี่คือจากขรรยาณเป็นผู้เห็นไม่ใช่เราเห็นนะแต่สัตว์โลกก็เป็นสำคัญว่าเราเป็นผู้เห็นใช่ไหม ส่วนที่ถูกเห็นคือสีคือวันณะรูปไอ้ตัวสีวก็ดีตัววันณารูปก็ดีนั้นเน่ยเป็นรูปารมณ์จักขูวิญญาณเป็นผู้เห็นแต่เราสัตว์โลกทั้งหลายสําคัญเสร็จสําคัญเบ็ดเสร็จ ว, ว่าเราเป็นผู้ผเป็นเหตุนี่แแต่ถ้าจริงจกักขูอญิญาณทําทัศนกิจรูปารมณ์ก็ถูกเห็นไปอันนั้น น, น, นั้นจุดแรกนิปการต่อมาก็คือว่าจักขูอิจ า, ญญาณเนี่ยเป็นธรรมะที่เกิดจากปัจจัยใช่ไหม จากคุญาเนี้เป็นวิบากไหมเป็นวิบากมีกรรมเมื่อวานนี้พูดในเดียวว่าอกุศลกรรมแท้ที่จริงจากคุญยาเป็นกุศลจากคุญยาก็ได้เป็นอกุศลจากคุญยาก็ได้ใช่ไหมทีนี้กุศลจากคุญยาก็รับรูปารมณ์ที่เป็นผลของกุศลถ้าอกุศลจากคุญาากรับรูปารม์ที่เป็นผลของกุศลก็ถ้าแต่ก่อนก็มานั่งคุยกันบอกว่าถ้าเราเห็นอภัยศัตร์ เป็นผลของบุญหรือผลบาปเป็นของบาปใช่ไหมแต่สีของไบยาสัตย์ ง, งามๆเนี่ยสีเป็นสีทองเลยอย่างเงี้ยอสีที่เกิดจากบุญก็จริงเป็นสีทองก็ดีตอนนั้นจิตของเขาเป็นบาปอยู่สมมติ ท่านตรงนี้จริงๆต่างๆก็ก็เลยพูดกันแบบ ร, มรวมๆเขาไว้ถ้าไปแยกแยะมี ม, มีมีเรื่องวิจัยกันอีกเยอะนี่นะก็เลยพูดกันแบบ ร, มรวมๆว่าถ้าไมยแล้วในขณะที่เราไปมองอบายศัตร์แต่เราก็กลับดีใจได้เราก็ชอบใจได้ทั้งๆที่ผลของบาปกาลังให้ผลท่านวนนั้นอยู่นี่เราก็มาทำกรรมใหม่กันอีกเห็นไหตั้นหากไปเชื่อมติดอีกแล้ว ตั้หาก็ไปเชื่อมติดอีกในการที่จะทําให้เหล่านั้นมีความยินดีมีความเพลิดเพลินก็เหมือนถ้าถามบอกว่าฝรั่งเนี่ยเขชอบที่สุดการอยู่ป่าดูนกทั้งทั้งที่เอาบยาสัตว์แท้ๆเขาไปดูใบยาสัตว์เขาชื่นใจมากเขาบอดูใบยาสัตว์เขาไม่รู้ในการดูแต่ละครั้งนั้นตั้หาก็เชื่อมอภิทรกรรมก็ต่อติดเข้าไว้แล้วอัธยาศัยที่เขาสั่งสมอย่างยาวนานเหล่านั้นถ้าเขาใกล้ตายขึ้นมาอารมณ์เหล่านั้นเป็นในอารมณ์ในมรณาสถานการเขาก็ไปปฏิสทติอยู่ในป่าอยู่ในนกอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นนะ เขาก็ไม่รู้กรรมเนี่ยสัตว์ไม่รู้กรรมแล้วดูเหมือนโอ้โหเระบูชามากพวกนี้ฉลาดพวกนั้นดูนอกอันมาปู๋ยตายแล้วไม่ศึกษาพระธรรมคําสอนของพระเจ้าให้ชัดก็เลยแยกแยกไม่ออกว่าจริงๆแล้วบุคคลเหล่านี้เอาวิชาปกปิดเขาเขาไม่รู้หรอกเขาไปเสียเวลาเป็นสิบสิปีซุ่มอยู่ในป่าวันๆไม่ได้ทํากิจอย่างอื่นแล้วถือกล้องอันนี้ก็คอยส่องนอกอยู่เนี่ยนะนั่งส่องนอกยืนส่องนอกอยู่นั่นแหละบางคนยุงกัดซะตัวลายสมาธิดีเหลือเกินนิ่ง ก็ทำงั้นจริงๆนะมาไปเจอเถวจังหวัดการไเจอตอนนั้นไปอยู่ในป่าไปเจอโอ้โห و. เขาก็คิดว่าเราชอบป่าเหมือ น, นนะเรามันจะหาที่หลีกเล้นคนละมุมกันเลยนะความคิดคนละมุมกันเลยเราก็ไปเจอเขากามาทักมานั่งคุยเขาก็ชอบด ok ูนกเขาว่าก็เลยถามเขาพูดภาษาไทยได้ ก็ถามเขาว่าคุณดูนกเนี่ยคุณคิดยังไงโอ้โหเขาสวยมากธรรมชาตินี่เขาไม่อยากกลับบ้านพอพาสปอร์ตหมดอายุเขาก็ไปต่อใหม่วีซ่าหมดอายุเขาก็ไปต่อเออเขาไม่เขาไม่ต้องใช้นี่พลังถ้าเป็นอเมริกาเขาจะไม่ต้องใช้แต่ถ้าพวกประเทศอื่นเขาตงใช้ประเทศนี้เขาเขาจะมีกําหนดอายุระยะเวลาเขาเนี่ยเวลาเขาไปอยู่หกเดือนบ้างเลยบ้างเขาก็ไปทําเรื่องเขาต่อที่นี่ยเขาบอกว่าเขาอยู่เขามีความสุข แล้วก็ถามถาท่านชอบนกกันอะไร <c oughs> มาบอกว่าไม่เคยชอบอบกยสัตว์เลยถามทําไมเขาบว่าเพราะว่าถ้าหากจิตของอาจมาไปผูกพันธุ์กับบกยสัตว์มากๆเป็นอันตรายต่อต่อการประพฤติพรหมจรรย์ฉะนั้นเวลาจะดูแล้วคุณดูแล้วคุณคิดยังไงอาจมาก็บอดูว่าที่เขาล้องเนี่ยอัตถะที่เขาบอกก็คือว่าแต่ก่อนเขาเป็นคนชอบป่าแล้วคคร่งครัดกับฝักคุณย่าอยู่ ด้วยความประมาทและความเป็นปุถุชนของเขาเนี่ยเขาจึงละความเกิดไม่ได้แต่ท่านก็อย่าประมาท ถ, ถ้าท่านประมาทเมื่อไรแล้วท่านก็ยังไม่พ้นจากการที่จะต้องเป็นเหมือนกเขาเบียาวที่ร้องอยู่ในป่าอย่างแสนหวยหวนฉะนั้นอาตมาได้ยินเสียงนกหรือเสียงสัตว์ป่าร้องแต่ละครั้งเป็นตัวกระตุน้นทําให้อาตมาเนี่ยกระตุ้นเตือนในการที่จะบําเพ็ญสิกขาสามให้ยิ่งยิ่งขึ้นเขาพูดนี้ก็บอกเมืเออท่านคิดคนลมุมกับเขาเลยว่ ก็คิดคลมุมเพราะอธยาสัยที่เราสั่งสมมามันคนละเรื่องกับเขาที่เขาสั่งสมอยู่ไหมเขาสั่งสมมาในการที่เป็นอย่างนั้นหลักสูตรที่เขาเรียนมาก็เป็นอย่างนั้นครูบาอาจารย์ที่เขาสอนก็สอนเขามาอย่างนั้นก็ปลูกฝังวิธีคิดถ้าเขาตายไปแล้วก็ควรจะเป็ลี่ยนใช่ไหมเพราะเขาไปเพาะเชื่อของตัณหาไว้เต็มหมดแล้วแล้วถามว่าที่ตรงไหนบ้างที่สัตว์นั้นน่ะถือปฏิสนธิไม่ได้ไม่มีเลยนะเขา ทุกแห่งทุกที่นั้นเป็นที่ถือปฏิสนธิของสัตว์เหล่านี้ได้ทั้งหมดเลยนั้นถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากสำหรับสำหรับกลุ่มที่ไม่ชอบการเกิดทั้งหลายนี่นะนั้นถ้าพอพิจารณาอย่างนี้ถ้าถามว่าที่จริงในจุดแห่งการพิจารณาเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ถ้าขั้นตอนแห่งการจเจริญพุทธคุณเป็นต้นนะซึ่งเป็นอุปจารและสมาธิเมื่อสมาธินั้นตั้งมั่นแล้วออกจากสมาธิเหล่านี้นะ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 ที่ตามมัลึกบ่อยๆนี่นะแต่ที่จริงนั้นทำที่ประกอบกับสตินั้นต้องพูดด้วยก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นต้นหรือเวทนาขันธ์สัญญาสังขารวิญญาณกลุ่มนามธรรมหรือจิตใจนั่นแหละที่เป็นน้อมเอาลึกถึงคุณของพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก็มาพิจารณาสิ่งต่างๆมีสมาธิมีสติเป็นต้นนั่นแหละว่าในขณะที่ไประลึกถึงคุณของพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ในคําว่าสัมมาสัมพุโทโธ พอเอาสมาธิเอาสติตรงนั้นมาเลึกก็จะเห็นว่ากลุ่มเหล่านี้คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือกลุ่มนามธรรมหรืออรูปธรรมแล้วก็รูปธรรมเหล่านี้อาศัยอะไรเป็นใบอยู่ใช่ไหมก็อา ศ, รรศรรัยหัตถยาวัตถุหัตถยาวัตถุนั้นคือหัตถยาวัตถุรูปหนึ่งรูปแต่กลุ่มของหัตถยาวัตถุรูปนั้นก็เรียกว่าวัตถุท่าสะ ก, กราบกราบที่มีจํานวนรูปสิเพราะหัตถยาวัตถุนี่นะ เล็กนิดเดียวนี้นะจะต้องมีที่ตั้งคือดินน้ำไฟลมสีกินรสโอชาธาตุแล้วก็มีชีวิตรูปแล้วก็หัตถยะวัตถุอีกหนึ่งรวมเป็น1ิรูปเรียกหาถุวัตถุทศน ก, กะกราบกราบที่มีจำนวนรูป10ใน10บรูปนี้ก็จะตั้งอยู่หลายๆกระลาบหลายๆร้อยหลา ย, ล ย, ลา ย, ลายพันกระลาบรอบๆ อ, อยู่แล้วก็นับเป็นทั้งยวงของหัตถยะใช่ไหมทั้งก้อนเลยของหัวใจเลยก็ เ, เรียกว่ามังสาหัตถยะ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 เออทำไมทไมเป็นอย่างนั้นล่ะก็เพราะว่าโทสะเนี่ยนอกจากเขาจะเผาธรรมที่เกิดพร้อมกันกันกบเขาแล้วเคยโกรธแรงๆใช่ไหมแรงขนาดไหนขนาดไหนที่ว่าโกรธแรงเหนือแรงขนาดไหนฮะแบบร้องออกมาเลยป่ะยังไม่ถึงขนาดนั้นนะย บางคนเนี่โกรธถึงต้องตะโกนร้องตะระบายออกมาก็มีเนี่ยฉะนั้นโทสะ ท, ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเผาอะไรเผาธรรมที่เกิดร่วมกันกับเขาเพราะโทสะนั่นแกสังขารละขันใช่ไหมคือโทสะเจตสิกมันเกิดร่วมกับโทมนานะเวทนาแล้วก็สภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับเขาคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะมันจะเผาธรรมที่เกิดร่วมแล้วไม่พอก็เผาที่ตั้งด้วยที่ตั้งคือหาติยวิถุ ใช่หัวใจถึงบีดแรงมากเต้นปบปบปบปบป บ, ป บ, ปบขึ้นมาเลยใช่ไหมนี่เขาเ ร, เริ่มเล่นงานที่ตั้งแล้วนเข้าก็ไปเผาทำที่เป็นปฏิปักษ์คือเห็นไหมอะไรที่ที่เขาโกรธเขาก็ไปปะฏิสลายอารมณ์นั้นะปะทุสลไลทำปะทุสไลภายในขึ้ตัวเองปะทุสไลที่ตั้งเนี่ยมันบอกก็ไปปฏิสไลอารมณ์ที่ตัวเองไม่พอใจคือปฏิฆะทั้งหลายก็ไปปะฏิสลายไปห้ามหัน นี่เขาเรียกสภาวะของโทษาเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเวลากุศลจิตเกิดขึ้นหรืออกุศลจิตเกิดขึ้นก็ดีในรรสภาพน้ําหล่อเลี้ยงหัวใจก็ต่างกันออกไปฉะนั้นถ้า ด, ดูอย่างนี้เราก็โอ้โหในสังสารวัฏเนี่ยเราเผาตนเองมาไม่รู้เท่าไหรนเนี่ยเนาะก็ทีนี้ถ้ามาพิจารณาถ้าสมาธิอย่างนี้เกิดขึ้นใช่ไหมก็พิจารณาโอ้นี่กลุ่มนี้คือกลุ่มน้ำมาทำอาศัยรูปธรรมคือหาทยวตถุเป็นต้นแล้วก็การัชกายเป็นไปใช่ไหม สรุปแล้วรูปนามเป็นไปอาศัยซึ่งกันและกันเป็นไปในลักษณะนี้อันนี้เริ่มชัดเจนมื่อยาตวิริญาทีก็ใค ร, ร่ควรต่อไปหาทแยะวัตถุทั้งหลายเนาะหาทแย้วัตถุหรือวัตถุรูปเหล่านี้เหล่านี้เป็นทุกขสัตว์เนี่ยนี่ก็เป็นทุกข์สัตย์นะหาทแยะวัตถุจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยปัจจัยคือดินน้ำไฟลมเป็นต้นที่เกิดจากรรมใช่ไหมแล้วก็ต้องอาศัยดินน้ำไฟลมที่เกิดจากจิตด้วยดินน้ำไฟลมที่เกิดจากอุตูด้วยดินน้ำไฟลมที่เกิดจากอาหารด้วยใช่มยวใจเี่อแ็งงรไแแข็งงงรงต้ออาหารริม งานเซิร์ฟเป็นต้นี่ยนะต้องอยู่ในสภาพอากาศที่เหมาะสมไหมเอาเหมาะสมอีกใช่ไหมต้องกุศลกรรมในอดีตดีด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วจิตที่คุณคิดในปัจจุบันต้องไม่ประโยคาวิบัติด้วยอย่างเงี้หยหัวใส่ปัจจัยนี่ปัจจัยเยอะแยะมวนนะทั้งปัจจัยปัจจุบันและปัจจัยในอดีตแล้วก็ดูอ๋อสิ่งต่างๆเลยนี้แม้หาทแยะวัตถุก็เป็นธรรมะที่มีปัจจัยเอาวิชาตันหากรรมโดยเฉพาะ ต, ตัวตันหาผลิตให้โรงงานนี่ผลิตชิ้นส่วนนี้ให้เอาวัวใจใช่ไหมเวลาจะไปตีสนที่ใหม่เนี่นะ อยู่ในคานปุ๊บครั้งแรกครั้งแรกเป็นก า, าลละนะปฐมังก า, งก า, าละลังกาละลารูปเป็นน้ําใสๆเป็นหยาดน้ําเล็กๆใช่ไหมเหมือนน้ำมันงานช่ไหมเนี่ยใสในนั้นมีแล้วนะหัตถยัตวฑตเนี่ยในปฏิสนธิการตัวตันหาตัวกรรมเนี่ยตัวกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมเนี่ยจะเป็นพวกก า, าละละใสาๆของอบัยวะศาสตร์ที่เกิดครั้งแรกเขาเรียกปฏิสนธิรูปอ่ะ ปฏิสนธิรูปกับปฏิสนธิน้ำนี่เขาเกิดพร้อมกันเลยนะไอ้ตัวเนี้เกิดพร้อมกันแหละยางลงสู่ครันของมารดาเนะี่ยถ้าเกิดในครันนะเกิดในไข่ก็ในไข่เกิดในเท่าไข่หรือในยางเหนียวหรือสัตว์ที่อุบัติเกิดขึ้นนะเนี่ยไอ้ตัวหัตถยะมังสะหัตถยานี่นะไอ้ตัวหัตถยาวัตถุรูปเนี่ยพร้อมทั้งกรร ม, มชรูปเนี่ยนะมีดินน้ำไฟลมมาด้วยในขณะนั้นไม่ใช่มาแต่เฉพาะหัตถยาวัตถุเนะี่ยแล้วก็มีปฏิสนธิน้ำ มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณครบเบสเส็จขันห้าปฏิสนธิในคันของมารดาพร้อมกันเลยที่อุปาทขนาของปฏิสนธิจิตลองคิดดูขนาดนั้นน่ะประหลาดแท้เห็นไหมเป็นหยาดน้ําใสๆเท่ากับน้ำมันงาเ น, นี่ว่างั้นโอ้พอพอปฏิสนธิขนาดน้ขนาดนั้นมีหัวใจแล้วมีหัวใจแล้วเป็นที่ตั้งของวิญญาณแล้วเรียบร้อยแล้ว ดูซิเนี่ยทีนี้ต่อมาก็เริ่มพัฒนาใช่ไหมหนาข้าวก็เริ่มเข้มขึ้นสีน้ําใสๆเริ่มเข้มเข้มขึ้นแบบเจียจางแล้วก็เข้มข้นขึ้นเข้มข้นขึ้นมาตามลําดับปฐมังกาลาลังโหติการลการลาหัวติอภุดทังเริ่มเป็นอพุธานเนอะนาข้าวนาข้าวก็เริ่มเป็นก้อนเท่ากับไข่ไก่เงี้เริ่มโตขึ้นมาใช่ไมเข้าเข้าใจไหมหนาข้าวจากก้อนเป็นน้าําใสๆนั่นเองมาก็เป็นเริ่มเป็นชิ้นเนื้อแล้วพัฒนาจากนั้นเริ่มเป็นชิ้นเนื้อแล้ว พอจากเป็นชิ้นเนื้อเบสเซต์ก็พัฒนาเป็นปัญจาสาขาใช่ไหมเป็นปุ่มห้าปุ่มออกมาแล้งเงี้ยมันเป็นอย่างนี้มนุษย์ประหลาดแท้<笑>นี่กรรม嘛นะวิจิตมากกา ร, รวิจิตเพราะอะไรวิจิตเนยฮะเพราะตันหาวิจิตเนี้ยตันหาวิจิตเพราะอะไรวิจิตนะสัญญาวิจิตสัญญาวิจิตเพราะเพราะจิตไง จิตวิจิตก็คือสัญญาวิจิตสัญญาวิจิตก็ตันหาวิจิตตันหาวิจิตก็การกระทําวายกายววาจาวิจิตการกระทําทางกายวาจาใจวิจิตวิบากโอ้โหวิจิตเลยไหมดูมาดิวิบากวิจิตไหมเนี่ยจากน้ําใสๆเมื่อแล้วก็เริ่มดําดําๆขึ้นมากลายเป็นชิ้นเนื้อจากชิ้นเนื้อก็กลมๆอย่างไข่แต่ไข่เบเซก็ออกมาเป็นปุ่มห้าปุ่มแขนสองขาสองศีรษะหนึ่งเริ่มแล้วนี่เป็นนี้ เป็นอย่างนี้นะทึงบอกว่านี่ไงชาติทิฐุกตั้งขึ้นมาแล้วตั้งแต่กัลละะนั่นแหละชาติทิฐุกตั้งขึ้นมาแล้วนี่พุทธพจนะ์เนาะบอกโอ้โหนี่เองชาติทิฐุกใช่ไหมตั้หาตั้นหาผลิชิ้นส่วนมาให้ร่วมกับกา ร, รมร่วมกับวิชาความไม่รู้พอเบ็ดเสร็จต่อมาก็เริ่มเจริญเติบโตขึ้นมาเบ็ดเสร็จตามต่อมาก็ผมขนเล็บฟันหรือตากอะไรก็โผล่ขึ้นมาเลยตันี้ ยุ่งยากใหญ่คุดคูเหมือนลิงอยู่ในอยู่ในโพงไม้เหมือนลิงอยู่ในโพงไม้ใช่ไหมคุดคูหนีฝนอยู่ไงนั่งคุดคูอยู่นั่นแหละอยู่ในคันเนะี่ยนั่งทับกระเพาะ อ, อุจจาระเก่าข้างบนก็เป็นกระเพาะ อ, อาหารใหม่ข้างล่างก็กระเพาะ อ, อาหารเก่าที่จะนั่งทับอยู่นั่นแหละบนศรีรษะกระทูนด้วยอาหารบนด้กระเพาะ อ, อาหารของแม่นั่นแหละ คุดคู้อยู่งั้นแหละเก้าเดือนสิบเดือนแสนจะทรมานนักนี่ชาติทุกทรมานไหมล่ะทรมานทรมานพะอายก็ร้องนั่นแหละจริงๆเจ็บปวดก็ร้องร้องก็ไม่ออกแล้วดิ้นกึกกักกึกกักสาพายก็ว่าันไมทั้งนี้ก็ดีใจใหญ่ดิ้นแล้วดิ้นแล้ว ก็ใจใช่ไหมใครเคยเห็นทุกข์ในขณะตั้งครรภ์บ้างไหมยมมาพอเราตั้งครรภ์วันนี้ทุกข์ไหมไหมบอกว่านี้เป็นที่ตั้งของชาติที่ทุกข์ทุกข์เพราะความเกิดชราทุกข์เดี๋ยวก็มาแก่เดี๋ยวก็มาพยาที่ทุกข์เดี๋ยวก็มาเจ็บเดี๋ยวก็มรณภทุกข์เดี๋ยวก็ต้องมาตายเดี๋ยวก็เป็นที่ตั้งของความโศกความร่ําไรําพันุ์ไม่ใช่ตนเองนะเป็นที่ตั้งคนอื่นด้วยของคนที่เกี่ยวข้องด้วยอถ้าลูกเป็นอไรายไปโศกไหมยอม ลำใดลาพันใช่ไหเยเด็กเขาทำบุญกันเถอะลูกจะได้ะดวกสบายแล้วก็ว่ากันเลยถึงใช่ไหเนี่ยก็รักลูกนั่นแหละใช่ไม่ใช่นี่ก็เป็นเรื่องที่เนี่เขาวิจัยอย่างนี้ก็เห็นทุกเพราะเห็นทุกอ่ายก็นออน้อมยังไงอะน้อมไปที่พอเห็นในลักษณะอย่างนี้รัดคลายตัณหาได้ไหมอย่างนี้เป็นตทางคะแล้วก็น้อมไปที่นิสร ะ, ะวิเวกเป็นอธัธยาศัยเขาน้อมแบบนี้ น้อมไปหาพระนิพพานเนี่ยที่จะได้ดับสิ่งเหล่านี้สักทีเลยเนี่ยอัธยาสายก็น้อมเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาเห็นความทุกข์เห็นความไม่ชอบไอเห็นความทุกข์เห็นควา ม, น, วามน่าเบื่อหน่ายของสังขารก็จิตก็น้อมก็หาวิสังขารน้อมเขาหาพระนิพพานทุกครั้งก็จะน้อมอย่างนี้นี่ก็ตะทงางควิเวกเป็นอุปนิสยัยปัจจัยแก่นิสรณวิเวกมีวนิสระวิเวกเป็นอัจฉริยะก็จะเป็นไปลักษณะอย่างนี้นี่คงพองมองเห็น นี่กายมหมดเวลาก็สวดมนต์กันหน่อย